เรื่องเท้าสักกะพระศาสดาทรงอาศัยอยู่เมืองเวสาลีเมื่อประทับอยู่ในกุตาคารศาลาทรงปรารบเท้าสักกะเทวราชความพิสดารว่าเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเมืองเวสาลีไปเฝ้าฟังธรรมจากพระศาสดาทูลถามพระศาสดาว่าทรงรู้จักตัวแห่งเท้าสักกะหรือไม่ เพราะท่านจอมแห่งภพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระบรมศาสดาทรงตรัสถึงเรื่องเท้าสักกะในการก่อนได้เป็นมนุษย์ชื่อมะะัคคะจึงเรียกว่ามัคควาเมื่อเป็นมนุษย์ให้ทานก่อนเขาจึงเรียกกันว่าบุรินทะหะให้ทานโดยความเคารพจึงเรียกว่าเท้าสักกะโดยให้ที่พักอาศัย จึงเรียกกันว่าท้าวาสวะเป็นผู้เห็นอัถฐตั้งพันจึงเรียกว่าสหัสสก ข, ขะมีนางอสุ์กัญญาเป็นปชาบดีชื่อสุชาดาจึงเรียกว่าท้าวสุชัมบดีกรองราชสมบัติอิสวริยาทิปัดแห่งเทพชั้นดาวดึงเขาจึงเรียกกันว่าเทวานามินทะได้สมทานวัตตบทเจประการ ประกอบไปด้วยพึงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิตอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นนิสตลอดชีวิตเจรจาอ่อนหวานไม่พูดส่อเสียตลอดชีวิตจิตปราศจาตรณีพึงอยู่ครองเรือนตลอดชีวิตเจรจาคำสัตว์ตลอดชีวิตทรงตรัสพระคาถาว่าถวยเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานละวาจาสอเสียดมีวาจาสัตว์กำจัดความตรณีได้ข่คมความโกรธได้นั่นแหลว่าสับบุรุษทรงนำอดีตนิทานถึงเท้าสักกะปฏิบัติตนเมื่อเป็นมคคมานบในอดีตการแขวนมคตบ้านอาจารามมีมานบหนุ่มชื่อมระค ได้ทำถนนหนทางให้เป็นที่น่าเรื่อนรมยินดีแล้วพักอยู่แม้มีคนมาผลักไล่เข้าออกไปแล้วพักอยู่เเองก็ไม่โกรธคิดว่าชนเหล่านั้นได้รับความสุขแล้วกรรมนี้ย่อมให้ความสุขแก่เราดังนั้นวันรุ่งขึ้นจึงถือจอบไปทำที่มณฑลแห่งลานรมณมียสถานได้ให้ปวงชนได้พักอาศัยรันร้นฤดูหนาวเขาได้ก่อไฟให้คนทั้งหลาย ในฤดูร้อนให้น้ำเขาเที่ยวไปแล้วทำหนทางให้ราบเรียบตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ภายหลังมีคนเห็นเขาทำจึงมาช่วยบ้างรวมสหายได้เป็นส3สามคนในบ้านเห็นเข้าคิดว่าชนเหล่านี้ไม่ควรทำแต่หาปลาเพื่อต้มสุราแล้วดื่มหรือทำการอื่นเราพึงน่าจะได้ส่วนอะไรบ้าง จึงห้ามและแนะนาให้ทำอย่างที่ตนคิดแต่ไม่เป็นไปตามที่ตนคิดไว้จึงโกรธไปกราบทูลพระราชากล่าวหาว่าพวกสาสามคนเป็นโจรพระราชามีรับสั่งให้จับตัวไปลงโทษให้ช้างเหยียบเพราะอนุภาพแห่งเมตตาช้างหาเหยียบเขาเหล่านั้นไม่เพราะอนิสงการเจริญเมตตาของพวกเขาพระราชาทรงแปลกใจจึงเรียกมาสอบถาม ทรงทราบว่าพวกเขาไม่ใช่โจรแต่กระทำถนนหนทางสวรรค์ชนส3สามคนได้รับพระราชทานรางวัลและพระราชาขออดโทษต่อมามคามานพกับพวกได้สร้างศาลาที่พักของมหาชนให้ถาวรในหนทางใหญ่สี่แยกแต่พวกเขาไม่พอใจในมาตุคามจึงไม่ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุคาม มคามานกมีพัญญาสี่คนคือนางสุธรรมมาสุนันทาสุจิตราและสุชาดาบรรดาพัญญาสี่คนนั้นนางสุธรรมมาคบคิดกับพวกช่างแอบทำช่อฟ้าศาลาสลักชื่อว่าศาลาสุธรรมมาเอาผ้าพันเก็บซ่อนไว้ช่างไม้สร้างศาลาเสร็จในวันยกช่อฟ้าจึงกล่าวกับชนทั้งสาสามว่ายัางขาดช่อฟ้า จึงเข้าค้นหาได้พบช่อฟ้าของนางสุธรรมมาซึ่งสำเร็จไว้แล้วจึงรับเอาช่อฟ้านั้นดังนั้นศาลานี้จึงชื่อว่าศาลาสุธรรมมาด้วยประการชนินางสุนันทาจึงทารรสะโบกกรณีนางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้อันรุ่นรมฝ่ายนางสุชาดาคิดเสว่าเราเป็นลูกของลุงมัคคะ เป็นทั้งบาทบริจาริกาคือเป็นภริยาพึงต้องได้บุญอันสามีได้ทำแล้วด้วยเพราะเป็นพัญญาเหมือนกันจึงไม่ได้ทำอะไรรอแต่นั่งแต่งตัวของตนเท่านั้นแลปล่อยเวลาผ่านไปส่วนนายมักคะได้บำเพ็ญวัตบท7ประการบริบูรณ์ในเวลาสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาก็ได้ไปเกิดที่นั่นเหมือนกัน ช่งางไม้ได้ไปเกิดเป็นวิษณุกรรมเทพบุตรเท พ, พนครดาวดึงประมาณหนึ่งมโยธเกิดขึ้นแล้วประกอบด้วยประตูพันหนึ่งมีปราศาสตรเวชยันสูงเจ0ดร้ยโยธประกอบด้วยแก้วเจ็ประการต้นปาริชัตกะมีปริมาณมนลทนแผ่ไปสา0ร้อยโยธบรรดุกรรมพลสีดังดอกชัยพฤกษ์สีครั่งและสีบางรอยราวหกสิบโยธกว้างห้าสิบโยธหนาสิบห้าโยธ เกิดขึ้นแล้วที่โขนแห่งไม้ปาริฉัตตะกเทพบุตร3 3องค์นั่งบนกระพองช้างเอราวันภ ร, ริยาของมัคมานพสามคนไปเกิดในดาวดึงเทวสภาชื่อสุธรรมมาได้เกิดแล้วแก่นางสุธรรมมามีการฟังธรรมทุกวันอุโบสถสะโบครณีชื่อสุนันทาได้เกิดแล้วแก่นางสุนันทามีประมาณ500รยโยชน ส่วนชื่อจิตตลดามีประมาณ500ร้อยยอบังเกิดแล้วแก่นางสุจิตราส่วนนางสุชาดาไปเกิดเป็นนางนกอย่างในซอกเขาแห่งหนึ่งท้าวศักกะเห็นนางเกิดในที่นั้นควรที่จะสงเคราะห์นางจึงลงไปให้โอวาสให้รักษาศีห์ห้าไม่กินปลาเป็นนางนกอย่างสูบผอมตายไปเกิดเป็นทิดานายช่างหม้อเมืองพารณสี ท้าสักกะลงไปช่วยอีกให้รักษาศีลให้บริบูรณ์ครั้นจุติคือตายจากอัตภาพนั้นไปเกิดเป็นทิดาอสูรท้าเวปจิตติจอมอสูรเรียกประชุมเลือกสามีให้ทิดาเท้าสักกะปลอมตัวมาเป็นอสูรเท่าชิงเอานางสุชาดาอสูรกัญญาหนีไปดาวดึงสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางอับส อ, สองโกดครึ่ง นางไม่มีญาติบนดาวดึงจึงขอให้พานางไปด้วยกับเท้าสักกะในที่นั้นๆทุกครั้งทรงตรัสตรกถาว่าเท้ามัคควะถึงความเป็นประเสริฐกว่าเทพยพยดาทั้งหลายและความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทเป็นธรรมะอันน่าติดเตียนทุกเมื่อเพราะความประมาทเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่าง ความเป็นมนุษย์โชคร้ายการเข้าถึงอบายภูมิล้วนมีความประมาทเป็นมูลในเวลาจบคาถาเจ้าลิชวีมหาลิทรงดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแม้บริษัทผู้ประชุมกันเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยาบุคคลมีพระโซดาบันเป็นต้นดังนี้แหล หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนรกสวรรค์ในอัตถกถาและพระไตรปิฎกนั้นสำหรับผู้เชื่อและไม่เชื่อก็ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะครับในที่นี้ขอให้เข้าใจว่าการสอนคนในแต่ละยุคนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญญาบารมีมามากพอนั้นบางครั้งก็จําเป็นจะต้องเอาสิ่งที่เข้าใจง่ายมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพโดยง่ายนะครับดังนั้นในอัรถกถาพระไตรปิฎกเราจึงมักได้เห็นการอธิบายนรกสวรรค์ ในแง่มุมเดียวกับความเชื่อของฮินดูนะครับผู้มีปัญญายอมไม่ติดใจว่านั่นจริงหรือไม่จริงแต่จะมองเห็นว่าเป็นการใช้สื่อการสอนประเภทหนึ่งเพื่อให้คนในยุคนั้นสมัยนั้นณนะบริเวณนั้นเวลานั้นได้เข้าใจง่ายที่สุดจุดมุ่งหมายในเรื่องนี้คือการสอนให้เป็นคนไม่ประมาทให้เห็นถึงผลของบุญกุศลที่จะส่งต่อในภายภาคหน้า ส่วนการอธิบายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั้นหลายครั้งก็เป็นแค่สื่อการสอนที่พูดให้เห็นภาพขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงควรทําความเข้าใจไม่ด่วนเชื่อไม่ด่วนปฏิเสธจะเชื่อก็ต้องเชื่อแบบมีเหตุผลจะปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธแบบเข้าใจด้วยนะครับอยากให้ทําความเข้าใจนะครับว่าสําหรับการอธิบายนรกสวรรค์หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนั้นขอให้เข้าใจว่า สิ่งพวกนี้มีจริงแต่การเล่าเรื่องแต่ละยุคนั้นท่านก็มีการบรรยายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของผู้ฟังจุดประสงค์เพื่อเข้าใจง่ายนารกสวรรค์นั้นมีอยู่จริงแต่ของจริงมันก็พิสดารและแตกต่างกันไปมากมายยากเกินกว่าจะอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียดได้จึงต้องอธิบายไปตามความเข้าใจและเหมาะสมกับคนยุคนั้นๆ น, น, นะครับดังนั้นจึงต้องเข้าใจว่า เนื้อหาบางส่วนจากพระไตรปิฎกนั้นเป็นการขยายความอธิบายเรื่องจริงในรูปแบบของการเล่าเรื่องก็อาจจะมีการบรรยายภาพให้เห็นภาพให้เข้าใจง่ายซึ่งพอสืบต่อกันมาในยุคปัจจุบันนักวิชาการและผู้ที่ยึดมั่นในเหตุผลนั้นฟังหรืออ่านแล้วก็อาจจะไม่เชื่อหรือเชื่อไม่ลงแต่ถ้าเข้าใจว่าท่านจับแก่นมาอธิบายมาขยายความ บรรยายภาพให้เห็นเท่านั้นแล้วเลือกเชื่อแค่ตรงแก่นตรงหลักสําคัญก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากนะครับแถมเข้าใจแบบไม่งมงายด้วยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นคําที่ใช้ไม่ได้นะครับไม่เชื่อก็ต้องศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะไม่มีการลบหลู่และไม่มีการเข้าใจผิดด้วยแนะนําให้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ในพระไตรปิฎกที่ผมอัดเสียงไว้นะครับ เป็นปตัตกถาธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคสอ า, าจารย์ประยุทธ์ประยุตโตซึ่งอธิบายเรื่องนรกสวรรค์ไว้ได้ดีมากและอยากแนะนําให้เสริมด้วยการฟังเรื่องจากแววเสียงสวรรค์ซึ่งมีอยู่สี่เล่มเป็นงานเรียบเรียงของอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้แตกฉานในประไตรปิฎกอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยนะครับก็จะทําให้ท่านพอมองเห็นภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมได้ชัดและตรงขึ้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ